บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องอวิชชาสังโยชน์คือกิเลส ท, ที่ปุกใจสัตว์ไว้แล้วก็เป็นรากง่าวของสรรพกิเลส ท, ทั้งหลายนั้นเมื่อกราวโดยสรุปแล้วได้แก่ความไม่รู้ ในเอริยสัตว์สั้งสี่ประการกับความไม่รู้เรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎของปัจจาาิรกยารวมแล้วก็เป็นความไม่รู้ใหญ่ๆแปดเรื่องด้วยกันสึงทั้หลายที่เขาไม่รู้อย่างอื่นนั้นแล้วแต่เกี่ยวเนื่องกับความไม่รู้ทั้งแปประการนี้ทั้งนั้นด้านได้เคยกล่าวมาแล้วว่า เรื่องของวิชาคือความไม่รู้นั้นอาจจะแบ่งได้หลายระดับประเภทแรกก็เป็นความรู้ในลักษณะความไม่รู้ในลักษณะที่มืดมนไปด้วยประการต่างๆลักษณะคล้ายคคนตาบอดคือมองไม่เห็นทิศทางอะไรความรู้อีกประการหนึ่งเป็นความไม่รู้ในหลายๆส่วนคือรู้อาจจะส่วนสองส่วนก็เรียกว่ารู้ไม่จริง รู้ไม่ทุกแง่ทุกมุกรู้ไม่ตลอดประการที่สามนั้นเป็นการรู้ที่ไม่ตลอดสายของเรื่องเหล่านั้นหมายความว่าเป็นความรู้ที่ไม่ครบกระบวนการของเรื่องนั้นๆเช่ น, นว่ามันมีจะตั้งสี่ด้านแต่ ร, รู้สองด้านเนี่รู้สักสองด้านครึ่งหรือแม้แต่สาด้าน ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ยังไม่ตลอดสายในเรื่อ ง, งนั้นก็คงอยู่ในกรอบของวิชาตนั่นเองและความไม่รู้อีกระดับหนึ่งทึ่เราจะเห็นว่าพระยะบุคคลทั้งสามระดับต้นสวดาบันปะสะกิตาคามีพระนาคามีที่จริงท่านรู้ผ่านญาณทั้งสามมาแล้ว้วยซั้ง แต่ก็ยังไม่สามารถขจัดกิเลสได้หมดสิน้นก็แสดงว่าเป็นความรู้ที่ยังไม่รอบด้านซึ่งท่านใช้คำอีกคำหนึ่งว่าปาณญปริญญารู้แล้วละกิเลสได้โดยเนื้อหากองการปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนาทั้งปวงไม่ว่าจะกล่าวไว้โดยนยะอะไรก็ตาม เมื่อถึงจุดของการประพฤติปฏิบัติแล้วในขณะที่ปริมาณธรรมะซึ่งน้อมนามาประพฤติปฏิบัติได้เพิ่มขึ้นภายในจิตปริเมปริมาณของกิเลสก็ต้องลดตามลงไปปริมาณของความทุกข์ก็ลดตามลงไปปริมาณของความสุขก็เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของธรรมะนี่ถือว่าเป็นสูตรในการประพฤติปฏิบัติ เราจะต้องออกมาในลักษณะอย่างดีตลอดเพียงแต่ว่าปริมาณธรรมะเพิ่มมากหรือเพิ่มน้อยจะเป็นตัวกำหนดที่มีความจำคัดหมายความว่าถ้าปริมาณธรรมะเพิ่มน้อยปริมาณของกิเลสก็ลดได้น้อยปริมาณของความทุกข์ก็ลดได้น้อยปริมาณความสุขก็เพิ่มขึ้นได้น้อยปริมาณธรรมะยิ่งมากเท่าไหร่กิเลสยิ่งลดไปมากเท่านั้น ความพยะยา บ, บุคคลทั้งสามระดับที่จริงคุณธรรมท่านสูงมาโดยลำดับกิเลสคือสังโยชน์ตั้งห้าประการก็ได้ลดไปแล้วได้หมดสิ้นไปแล้วแต่ก็จริงกิเลสประเภทละเอียดท่านก็ยังขจัดให้หมดสิ้นไม่ได้ทันั้นในสายนี้ก็ชื่อว่ายังมีความไม่รู้ในบางจุดๆ เพราะกิเลสยังไม่หมดในกรณีของทุกข์กัศตนั้นเรานํามาเรียงเป็นสี่ระดับโดยนายาิยางกล่าวของอจะพบว่าคนเป็นอันมากไม่เพลิดเพลินกับความเกิดแม้แต่ว่าเพลิดเพลินกับความแก่แล้วก็เพลิดเพลินกับความตาย แ, แสดงให้เห็นถึงลักษณะของวิชาที่มีอยู่มากไปในจิตใจของบุคคลได้ทราบข่าวคร า, าวการเกิดหรือมีคนเกิดมาลูกหลานเกิดขึ้นมาคนก็จะมีความชื่นชมยินดีต่อการเกิดของคนเหล่า น, นั้นแต่ทั้งที่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วความเกิดนั้นเป็นที่มาของปัญหาทั้งปวงหมายความว่าถ้าเรายุติที่จุดเกิดได้ปัญหาทั้งปวงก็จบ พระหันทั้งหลายที่ท่านชื่อว่าดับกิเลสและเปลงทุกข์ได้ทั้งปวงนั้นเพราะเนื้อหาหลักจริงๆมันออกมาในรูปองขีนาชาติคือหมดการเกิดและความการเกิดของท่านยุติแล้วเพราะความทุกข์ในรูปแบบต่างๆในระดับต่างๆจึงไม่สามารถที่จะครอบงำจิตใจของท่านได้ กวามทุกข์เหล่านั้นเป็นสภาวะมั่งคงมีอยู่ในสัตว์ในสังขารทั้งๆท่านเหล่านั้นเองท่านก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายเพียงแต่เพราะท่านรู้เห็นตามความเป็นจริงท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านั้นและไม่เพลิดเพลินกับเรื่องเหล่านั้นในกรณีของความแก่เราจะพบว่าเราก็ใช้เป็นเครื่องมือในการเฉลิมฉลองการแสวงหาความสุขสนุกสนาน โดยประรบวันเกิดหรือประรบการเกิดและที่อาการหนักก็คือเรื่องของความตายซึ่งโดยเนื้อหาการประพฤติปฏิบัติแล้วท่านถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งธรรมสังเวชสลดจิตยัง เ, เกินเป็นเครื่องมือในการกระ ต, ตุ้นเตือนให้คนได้คิดมองชีวิตของคนที่ตายไปแล้วมาเทียบเคียงกันตนเอง แล้วก็มองให้เห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่ต่างกรรมต่างวรร ก, กันเท่านั้นในวันนี้คนเราอื่นในตายไปวันต่อไปเราก็ตายองศาคณาญาติญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูก็ล้วนแล้วแต่จะต้องตายไปแต่ว่าคนกลับใช้เป็นเครื่องมือในการสวยงารประโยชน์มาดองสังเกตว่าต่างจังหวัดในที่บางแห่ง เวันนี้ถืองานศพเป็นงานที่สแสวงหาผลประโยชน์กันมีการเปิดการเล่นการพนันกันเป็นจำนวนมากและท้งรวดก็ยกให้เป็นปีเศษมีการละเล่นในการเล่นการพนันมีการโอสัต์มาฆ่าเพิ่มบาปขึ้นอีกมห ah าศาลทั้งๆที่ตนพระราชาคนนั้นเป็นที่รักแล้ว น่าจะเกิดความสลดจิตสำเวทแต่ก็ไม่ได้คิดเจ่นนั้นถือเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์ไปจนถึงกับมีการเหมาการจัด ก, การงานศพจากเจ้าภาพซึ่งข้าวความเหล่านี้สอเห็นว่าในโอกาสต่อไปนั้นเรื่องงานศพจะมีลักษณะเป็นธุรกิจอีกประการหนึ่งเป็นเครื่องมือในการเอื้อประโยชน์แก่คนที่จัด ก, การงานศพ เมื่อคตินิยมเหล่านี้มีความแพร่หลายออกไปเงื่อนไขต่างๆทางบ้านเมืองก็ต้องงดเป็นคือยอมกับกลุ่มคนมูใหญ่เหล่านั้นอาจจะอนุญาตให้เปิดบ่อนได้เปิดการซีโนโดได้ในกรณีของงานศพหรือการเล่นต่างๆโดยไม่ต้องเก็บเงินเข้ารัฐเป็นต้นงานศพก็จะกลายเป็นเรื่องผลประโยชน์ไป ไอจุดมุ่งหมายในการที่จะกระตุ้นเตือนให้คนอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็จะจากไปคนก็จะเพิ่มความประมาทเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งก็หมายความว่าอาวิชชาคือความมืดบอดในลักษณะนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อวิชาได้เพิ่มพูนขึ้นภายในใจิตใจความรุนแรงในด้านต่างๆก็จะติดตามมานี่ถือว่าเป็นลักษณะของความไม่รู้ แต่นอกจากไม่รู้แล้วยังใช้เป็นเครื่องมือในการสังงานความเพลืดเพลินสนุกสนานทั้งทั้งที่ถ้เรามองกลับไปที่หลักการทึ่งพระเจ้าทรงแสดงเอาไว้ก็เห็นว่าความคิดดังกล่าวนั้นก็ทวนกระแสธรรมะที่ทรงสั่งสอนเอาไว้เจ็นทรงสั่งสอนในอภนินิหาปรปัจจุเวกขณะว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ลวงพ้นความตายไปได้ จะมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความแก่ไปได้ก็เป็นการกระตุ้นเตือนให้มองตนเองและบุคคลอื่นแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทในวัยในชีวิตแะในความไม่มีโรคใช้การเวลาที่มีอยู่เท่าไหร่เราก็รู้ไม่ได้วันขณะาเราไม่รู้ความตายจะเกิดขึ้นตรงไหนเมื่อไรที่ใดแต่ก็ใช้ปัจจุบันที่มาถึงเข้าให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดลักษณะคล้ายๆก็เตรียมพร้อม ไปเมื่อไรก็ได้เกิพร้อมที่จะไปจะกลายเป็นคนที่ท่านใช้คําว่าไม่กลัวต่อปรโลกคือไม่กลัวตายและไม่กลัวการไปเกิดในภกชาติอะไรเพราะตนเชื่อมั่นในบุญกุศลที่ได้สะสมเอาไว้แต่เมื่อคนถูกครอบงําด้วยอวิชชาที่มืดบอดลักษณะดังกล่าวความคิดในแนวที่ทรงวางไว้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือแม้แต่การที่ทรงวาง มโนสติหรือมรณานุสติคือการตั้งสติระ ล, ลึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นแก่ตนโดยอาศัยความตายที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นหรือไม่ ก, ก็ตามเป็นการปลุกเราให้ดำรงชีวิตในลักษณะที่ตื่นตัวมีสติมีสัมผัยันยะคุ้มครองใจแต่เมื่อเราไม่รู้ในจุดนี้ ผลประโยชน์จากมนนสติหรือมโนา น, นุสติก็เกิดขึ้นไม่ได้จนจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยคนโกรธเวลาพูดถึงความตายหรือคนตายหรือสิ่งที่ตายแล้วก็บอกว่าเป็นอภิมงคลถ้าพูดเรื่องคนตายสิ่งที่ตายพูดถึงความตายเขาห้ามพูดว่าเป็นอภิมงคลแล้วความเชื่อในนี้ก็เลยเถิดไปจนถึง ธรรมะที่ปราลบ ค, ความตายที่เกี่ยวกับสัจจะของชีวิตเรื่องความแก่เรื่องความเจ็บเรื่องความตายเรื่องการพลัดพรากเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพ่านถึงเป็นธรรมะที่ระเมียบระไม่พอถูกโอนย้ายให้ไปอยู่ในกลุ่มของอัปมงคลแล้วก็แบ่งเลยไปจนว่า ง, งานศพนั้นเป็นงานอัปมงคลงานแต่งงานนั้นเป็นงานมงคล เราจะเห็นว่ามัานก็ขัดแย้งกับตัวสภาวัตรรมขัดแย้งกับสัจธรรมเพราะจริงแล้วงานแต่งงานเป็นงานที่เพิ่มทุกข์ให้บังเกิดขึ้นคือเพิ่มขันได้ต้องแบกมากยิงขึ้นแล้วก็บองเห็นเป็นความทุกข์ที่จะต้องไปแบกขันซึ่งต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากต้องแก้ปัญหาสารพัด ขึนทีละห้าคันห้าคันพ้ามุมมองตรงนี้ถ้าเราไปมองจากหลักที่พระรยาบุคลท่านคิดเช่นสามเณรเรวัตน้องชายคนเล็กของพระสารีบุตรที่ถูกนางสารีมารดาบังคับให้าาแต่งงานตั้งแต่อายุเจ็ดขวบโดยกลัวว่าพระสารีบุตรจะนำน้องชายไปบวชเสียอีก พอคนอื่นภาษาในบทเอาไปบวชหมดแล้วน้องสาวสามคนก็บวชเป็นภิกษุณีหมดหลานชายก็เอาไปบวชเป็นภิกษุณียังเหลือน้องคนเล็กคนเดียวแม่ก็เลยเไปแต่งงานก็ผ่านเรื่องหลบานี้มาโดยลำดับจนถึงแต่งงานไปแล้วไปไหว้ขอพรผู้ใหญ่ก็ไปเจอกระยาธทวดซึ่งมีอายุร้อยยี่สปี จุดสะกิดใจสะดุดใจของเด็กเรวัตก็คือว่าคําให้พรเราขอเจ้าสาวเจ้าบ่าวนั้นมีอายุยั่งยืนเหมือนกับย่าทวดสำเนียงเรวัตก็เกิดฉุกคิดว่าถ้าเจ้าสาวมีอายุยืนต่อไปก็จะมีสภาพอย่างญย่าทวดนี้ก็บอกก็เป็นอย่างนั้นสำเน็ยงเรวัตเห็นทั้งความแก่ทั้งความเจ็บทั้งความตาย ทั้งความทุรพลที่ปรากฏในร่างกายของญาติทวทั้งหมดเป็นครูได้ทั้งหมดแล้วก็มองเห็นสัจธรรมที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองและเจ้าสาวของตอนเองในอีกร้อยี่สิบปีข้างหน้าว่าต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนี้และในสุดก็เตรียมใจที่จะหนีวางแผนที่จะหนีหนีเข้าป่าไปบวชไปอยู่ในป่าทั้งสิบ้าปี ไปอยู่ป่าไม้ตะเคียนทั้งสิบหปีเด็กยุติจัดขวบหนีเข้าไปอยู่ในป่าบวชเป็นสามเดืออยู่ในป่าทั้งสิบห้าปีนี่เราจะเห็นว่าวาัสนารบารมีของคนที่มองในจุดเดียวกันนั่นแหละแต่พื้นฐานทางบารมีธรรมที่สร้างสมเอาโปรมงเอาไว้ไม่เหมือนกันในขณะที่คนเป็นอันมากเพลิดเพลินกับความเกิดกับความแก่กับความตายเกี่ยวกับการมีชีวิต กับความมีชีวิตแต่ว่าคนที่มีพื้นฐานบารมีมาสูงท่านจะมองเห็นว่าแต่ละจุดนั้นมีปัญหาทั้งนั้นนั้นก็คือพื้นฐานของอวิชชาและวิชชาที่มีอยู่ภายในใจคนอวิชชาก็มองอีกอย่างหนึ่งในจุดนั้นแหละแต่คนที่มีวิชชาก็จะมองอีกอย่างหนึ่งในจุดนั้นแหละ ที่จะเทียบเคียงว่าการได้ผลประโยชน์จากการมองเราจะจะปฏิเสธการมองแบบอวิชชาว่าไม่เกิดประโยชน์ก็คงไม่ได้มันก็เหมือนกับกรรมมาคุณที่อาจารเรียกว่ากามมาคุณก็คือคุณของกามก็แสดงว่าไม่ได้ปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นว่ากามนั้นมีโทษร้อยเปอร์เซ็นแต่เป็นการกระตุ้นเตือนให้มองว่ากามนั้นมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มาก เราสามารถจะเทียบเคียงได้ทุกจุดแต่ละจุดนั้นจะให้ความสุขชั่วระยะสั้นๆแต่มีความทุกข์มากมายได้เกิดไม่จะเป็นการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเพราะการที่พระเจา้าทรงเรียกป่ากามาคุณก็แสดงว่ามันก็เป็นคุณระดับหนึ่งแต่เทียบเคียงกับโทษแล้วโทษมากมายมหาศาลได้เกิดปัญหาว่าใครจะเลือกเอาอะไรจะเลือกเอาายที่เป็นคุณมากหรือจะเอาเลือก ที่เป็นโทษมากถ้าเลือกเอาที่เป็นโทษมากแสดงว่าเมียวิชาอยู่มากก็เมียวิชามากมีโลภะมากมีโทสะมากมีโมหะมากกพระทั้งหมดมันก็มาจากอาวิชาก็ทำนองคล้ายๆกันในห้องนี้สมมติว่าร้อนมากทุกจุดที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องจะมีความร้อนอยู่มากไม่ว่าจะเป็นฝ้าจะเป็นดานจะเป็นพื้นมันก็ร้อนไปทั้งหมด เพราะอะไพระมันสืบเนื่องมาจากความร้อนตรงนั้นเพราะจิตใจขกบบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อก็มีวิจามากอย่างอื่นมันก็จะสืบเนื่องมาจากความวาตรงนี้ท่านถือว่าเป็นความรู้ที่ไม่จริงแต่เป็นความรู้ที่มีความมืดบอดอยู่สูงเหตุผลสติปัญญาที่ใช้ไปมีไม่มากพอในหลายๆเรื่อง เพราะในจุด ต, ตอนนั้นแหละก็จะสร้างปัญหาให้แก่คนเหล่านั้นและเมืเราเทียบกลับมาที่โครงสร้างของริีสัดก็เย็นว่ามีความไม่รู้อีกระดับหนึ่งคือไม่รู้ว่าร่างกายนี้เป็นที่มาของปัญหาต่างๆชีวิตนี้เป็นที่มาของปัญหาต่างๆและปัญหาเหล่านั้นคือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเพื่อจะทำให้เขาไม่มองเห็นโทษ ของกิเลสไม่มองเห็นปัญหาที่ตัวกำลังประสบอยู่ในขณะนั้นและจะประสบในโอกาสต่อไปตลอดทั้งในภพชาติต่อไปพรอเมื่อใจเรายินดีในความเกิดยังชอบในความเกิดเป็นสุขกับการเกิดนั้นจิตใจก็จะเกี่ยวเกาะไปด้วยภาะวะตัณหา หรือต้องการพบต้องการชาติที่ปรตนิษเพราะจะมีการทำบุญระดับที่เป็นวัตกามิีกุศลซึ่งหมายความมาที่จริงแล้วท่านก็รู้อะไรอยู่เยอะเหมือนกันแต่เป็นความรู้ที่ขีดขั้นเอาไว้แล้วก็เกิดพอใจยินดีเพียงระดับนั้นทำบุญแล้วก็ปรารถนาเป็นประชาปรารถนาเป็นเศรษฐีปรารถนาเป็นข้าราชการ ศตสนาเป็นเจ้าคนนายคนอะไรเนี่ยซึ่งเราไม่ได้มองในจุดที่ว่าคนเหล่านั้นที่จริงมีทุกมากกว่าสามัญชนมีปัญหาสารพัดในขณะที่คนอื่นได้กินได้อยู่อะไรตามปกติคนนั้นมีเวลากินเวลานอนเวลาทำงานอะไรไม่ปกติไปหมดแมนอนหลับอยู่ก็ถูกปลุกขึ้นมาเพื่อไปทำหน้าที่ของตัวเอง และพลาดอะไรนิดนิดหน่อยก็มีปัญหาติดตามมาก็มีข่าวคร า, าวให้เราได้ประสบพบเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่ใจคนก็กระสันอยากที่จะเป็นในพบชาติปัจจุบันเราจะเห็นว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือเป็นที่มาของลาบยศสรนเสริญความสุขแต่ทั้งตัวลาบตัวยศตัวสรนเสริญตัวความสุขนั้นที่จริงก็คือตัวทุกมันเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย แล้วก็เป็นกามกคุณกามกคุณมัน ก, ก็มีการยื้อแย่งมีการต่อสู้มีการประหัตประหารกันเพราะการยื้อแย่งของคนเราจะพบว่ามันก็ยื้อแย่งพวกสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ยืย้อแย่งสิ่งที่เป็นยศศักดิ์ตำแหน่งต่างๆยื้อแย่งการได้รับการยกย่องสรรเสริญจากบุคคลทั้งหลายแล้วก็ยื้อแย่ง <c oughs> ความสุขที่เราเรียกว่าการมาสุขหมายความความเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวรู้สึกว่าได้รู้สึกว่ามีรู้สึกว่าเป็นและจะเพลิดเพลินในจุดเหล่านั้นทั้งๆที่ในแง่ของความเป็นจริงที่แท้จริงความได้ความมีความเป็นนั้นมากเท่าไหร่ก็ทุกมันจะมากขึ้นเท่านั้นมีมากก็ทุกมากมีน้อยก็ทุกน้อยไม่มีก็หมดทุก เพราะมันมีความเยอะใหญ่ความสินเนหาความาลัยความผูกพันการคาดหวังแต่ละอย่างนั้นถ้าไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้ก็สร้างความทุกข์ทั้งนั้นความสินเนหาอาลัยซึ่งอาศัยความประนีตของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดทุกข์โภ ม, มนัต เพราะอาศัยความเสน่หาอะไหล่ในประเทศหรือแม้แต่ความเป็นในฐานะต่างๆหรือความได้ในฐานะต่างๆพอได้แล้วเป็นแล้วก็จะเป็นทุกข์ในการดูแลในการบริหารในการป้องกันในการรักษาในการต่อสู้กันอย่างก่าวคราวเรื่องเพชราอุที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ถ้าเรามองเห็นเป็นกระบวนการแล้วจะเห็นว่าเป็นเรื่องอาการของอวิชชาเรื่องอาการของโลภะที่พระเจ้าทรงแสดงว่าความโลภเป็นอันตรายของทำทั้งหลายอวิชชานั้นก่อให้เกิดความมืดบอดทิศ ท, ทั้งปวงมันมืดมนมองไม่เห็นทิศทางภาพเหล่า น, นี้ก็ออกมาเป็นอาการทั้งหลาย พราะการศึกษาเรื่องเหล่านี้ที่จริงน่าจะเอาอเป็นบทเรียนไม่ใช่ไปศึกษาแล้วไปซ้ําเติมไปด่าว่าคนอื่นแต่เป็นบทเรียนสอนใจเตือนใจคนทั้งหลายว่าพฤติกรรมทั้งปวงที่เป็นเรื่องสร้างปัญหาและกระจายปัญหาออกไปดุน แ, แล้วแต่มาจากตัวความทุกข์คือทุกขกขันคือกองแห่งทุกข์นี้เ่อนก็สืบเนื่องมาจากกิเลย บางคนจะมองเห็นโทษของกิเลสแล้วก็โทษของชีวิตจนถึงกับไม่ปรารถนาพบชาติที่ปเป็นีซึ่งตัวนี้เรากลับมามองทังความคิดคนระดับพระโพธิสัตว์อีกทีหนึ่งก็จะเห็นได้ชาติเามันก็ต่างกันเองในขณะที่คนปรารถนาความเป็นเจ้าคนนายคนความเป็นปราจาหมากษัตริย์ความเป็นเศรษฐีม้าศา ร, ารความเป็นอํามาตะผู้ใหญ่เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ แต่ความคิดระดับพระโพธิสัตว์นั้นไม่ต้องการเช่นตัวอย่างเพึงเห็นเช่นพระเตมีโพธิสัตว์ที่เราเรียกกันว่าเตมีป้ายเนี่ยท่านระลึกชาติได้ว่าท่านเกิดในวังนี้เมื่อก่อนท่านก็เป็นพระราชาในเมืองนี้นี่มาเกิดที่นี่และแล้วหลังจากเป็นพระราชาไปแล้วท่านต้องตกนะรกเพราะทําบาปกรรมต้องฆ่าคนต้องประหารคนต้องทําสุดสงครามบาปมันเยอะ แล้วก็ตกนรกไปตอนนี้ก็สิ้นกรรมแล้วก็จะมาสร้างกรรมใหม่อีกละในขณะที่คนปรารถนาชื่นชมอย่ดียื้อแย่งจนถึงก็เขียนข่าทําลายล่างกันเพื่อได้เป็นพระราชานคนความคิดแบบพระโพธิสัตว์ซึงอวิชชาบัรจางลงไปตําแหน่งความเป็นพระราชานั้นเองท่านมองว่าเป็นที่มาแห่งทุกข์แห่งภัยแห่งเวรแห่งอันตราย ทุกตั้งในขณะนั้นนั้นล้วก็ทุกในสังสารวัตรท่านจึงไม่ปรารถนาที่จะเป็นพระราชาจนต้องวางบายทาเป็นคนบ้ายเพื่อเห็นว่าเป็นคนทุกข์นภาพไม่สามารถจะเป็นพระราชาได้พื้นฐานตรงนี้จึงสะท้อนความคิดความอ่านของคนในโลกนี้เพราะต้าวิชามากพฤติกรรมจะมีปัญหามากมาก ต่ที่โบราณท่านพูดถึงแมลงเม้าเป็นข้าวกองไฟก็เห็นกันอยู่ว่าเพื่อนที่บินล่วงหน้าไปก่อนนั้นไม่มีใครโปรกลับมาเลยแล้วบางทีก็เห็นว่าดิ้นกระเดากระเดาโจกแต่ก็โจรเข้าไปอีกหรือแม้แต่ในชีวิตเราอย่างในพวกบอนพวกคาสิโ น, โนทั้งหลาย คนที่เข้าไปในสถานที่นั้นจะเห็นคนเสียพนันเนี่ยมากมายเลยเกินประสบความทุกข์รอเกิดแล้วก็มีข่าวคราวให้เห็นมีภาพหน้าตาพฤติกรรมของคนเหล่านั้นให้เห็นแล้วคาสิโนห ล, ลังคงเต็มอยู่กันเองมันก็ลักษณะคล้ายๆกับปลาตาบอดลอดพงผางเอื้นติดตัวเองก็เข้าไปเดวยก็ติดด้วย เพราะฉะนั้นชีวิตตรงนี้ถ้าเราสาวกลับไปก็คืออวิชชาที่มันมีมากจนไม่อาจคุ้มครองตัวเองได้หมายความปราแสงสว่างก็พอมีเพียงแต่ว่าไม่พอที่จะสองทางให้เห็นได้ตลอดบควรเดินควรเหยียบควรย่างไปยังไงเนี่ยคือมองไม่ชัดในหลายๆจุดเพราะในกลุ่มของทุกข์สัตว์กลุ่มของชีวิตจึงมีปัญหาเป็นอันมาก เรามีปัญหาเพราะความแก่เรามีปัญหาเพราะความเจ็บเรามีปัญหาเพรา ะ, ราะความตายามีปัญหาที่เกิดขึ้นต่อการพลาดพราดสูญเสียต้องการอะไรและไม่ได้ตามต้องการสิ่งนี้ต้องการต้องเปลี่ยนแปลงไปคนที่เราอยากจะอ ย, อยู่ร่วมทำงานร่วมปฏิบัติกิจกรรมร่วมก็ไม่ได้อยู่ร่วมคนที่เราไม่ต้องการอยู่ร่วมไม่ต้องการจะทำงานร่วมก็ตตดการอยู่ร่วมกัน ถ้าเรายอมรับความจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงจริงเราก็อยู่ได้เพราะต่างคนต่างก็ทำกรรมของตัวเองเช่นสมมติว่าต้องทำงานกับคนที่เราไม่ชอบอยู่ในห้องเดียวกันเขาก็รับผิดชอบเขาไปเราก็รับผิดชอบของเราไปแต่เพราะวิชาที่มันปิดบงังกันไว้ ไม่สามารถจะแยกให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรแล้วกรอบกรอบข่ายมันควรจะอยู่ตรงไหนแล้วใครจะควรจะรับผิดชอบในเรื่องนี้ใจเราก็สายไปมองสายไปคิดสายไปปรุงแล้วไปดึงเอาคนเหล่านั้นเข้ามาไว้ในใจตัวเองใจที่ดึงมานั้นเองเป็นการดึงมาด้วยโทรศัเพราะใจเราก็ถูกกลุ่มรวมด้วยโทรศั ปริมาณอวิชามก็เพิ่มเป็นปริมาณของโลภะก็เพิ่มเึ้นที่จริงแล้วถ้าต่างคนต่างอยู่มันก็มีปัญหาอะไรแต่พระใจที่ไปกำหนดไปผูกพันเอาไว้ในฐานะเป็นศัตรูหรือแม้แต่ในฐานะเป็นมิตรก็พร้อมจะเพิ่มภูนปัญหาให้เกิด ดังนั้นในแนวพ ม, ม่าปฏิบัติท่านจึงเพิ่มปัญญาคือเพิ่มแสงสว่างเพื่อให้บุคคลสามารถลดอวิชชาคือความไม่รู้ลงไปเมื่อวิชาลดก็แสดงวิชาเพิ่มแสงสว่างเพิ่มก็ความมืดมันก็ลดพวกโลภะโทสะโมหะริษยามัจเรยะอะไรต่รรรางๆมันจะลดตามลงไป คล้ายๆกับแม่น้ําที่จักรยาลดแม่น้ําข้างบนก็ลดแต่แม่น้ําข้างบนเพิ่มแม่น้ำจักยานก็ต้องเพิ่มเราเป็นกฎธรรมชาติเช่นเดียวก็กฎทั้งหลายวิชาจึงเป็นที่มาของปัญหาสาระปัดความประพฤติปฏิบัติที่ทรงแสดงเอาไว้จึงเริ่มต้นจากการลดความรุนแรงของวิชาลงไป เพื่อให้สามารถคุ้มครองรักษานำพาชีวิตให้ดำเนินไปในคันลองแห่งธรรมสามารถที่จะน้อมนำความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนในช่วงสั้นบ้างในช่วงยาวๆบ้างและในช่วงที่เป็นสังสารวัฏตลอดถึงช่วงที่เป็นบารมีธรรมที่จะนำบุคคลผู้นั้นให้ใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานมากยิ่งยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป ตอนนี้ไปขอให้ตั้งใจแต่ควาสมสงบ